หลักใดพุทธศ์สนาของเราถ้ายังมีผู้สนใจใครในข้อวัดปฏิบัติและปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจตามหลักศาธนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ เรื่องคำว่ามรรคผลนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่ผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นๆจะพึงได้รับตามกำลังความสามารถของตนทุกขั้นทุกภูมิไปเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายัางทรงกระจนอยู่หากจะผิดกันอยู่บ้างก็นเนื่องจากผู้แนะนำสั่งสอน่าจเป็นผู้เข้าใจในธิตตภาวนา จกนกระทั่งถึงมรรผลนิพพานภายในจิตใจของตนประการใดเท่านั้นแหละเป็นสิ่งสําคัญเพราะการแนะนําสั่งสอนทางภาคปฏิบัตินี้ต้องขึ้นอยู่กับกจิตใจของผู้แนะนําสั่งสอนแลต้องเป็นผู้ทรงอัดทรงทําไว้อย่างน้อยตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปจนถึงขั้นวิมุตต์หลุดพ้นการแนะนําสั่งสอนจะไม่ผิดเพี้ยนจากหลักความจริง ที่พระองค์และสาวกทั้งหลายท่านเคยสั่งสอนมาเพราะกิเลสไม่มีตัวใดเปลี่ยนแปลงพอที่จะเสาะแสวงหาธรรมหาอุบายใหม่มาแก้ไขกิเลสประเภทที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆจึงธรรมะจึงคงเส้นคงวาเหมาะกับการแก้กิเลสอยู่เสมอไปในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าเป็น องค์ประธานพระโอวาทแก่บรรดาสาวกที่เข้ามาอบรมศึกษาและศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ได้ศึกษาแต่เพียงแต่ัพ์แต่ชื่อแต่นามเพราะความจดจำเพียงเท่านั้นและไม่ศึกษาเพื่อเอาขั้นเอาภูมิ ดังที่พวกเราทั้งหลายศึกษาและสอบกันเพื่อขั้นเพื่อภูมิอยู่ทุกวันนี้ขั้นของท่านคือขั้นทำจริงๆเป็นผู้จะพึงสอบได้โดยลำพังตนเองซึ่งไม่จำเป็นต้องหาผู้หนึ่งผู้ใดมายืนยันรับรองมีแบบไปวกศเมีบัตรเหมือนอย่างที่เราทากันอยู่ทุกวันนี้เริ่มจากขั้น สมาธิขึ้นไปจะกล่าวถึงขั้นแห่งธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าอริยธรรมก็มีอยู่สี่ขั้นคือพระโสดาบันขั้นพระสกิทาคาร์ขั้นพระอนาคาคาขั้นพระอรหันต์ขั้นนี่สี่ขั้นนี้เรียกว่าอริยธรรม ผู้ปฏิบัติได้บรรลุขั้นใดก็เรียกว่าเป็นอายะบุคคลขั้นนั้นเช่นขั้นพระโสดาก็เป็นอายะบุคคลในขั้นนี้แลกีธาอนาคาจนถึงขั้นอรหันตบุคคลมีสันทิพิโกเป็นเครื่องยืนยันไม่อย่างพร้อมมูลไม่จําเป็นจะต้องหาใบาประกาศหรือเครื่องยืนยันจากผู้หนึ่งผู้ใดเลย <c oughs> ที่ท่านเรียนจากสมัยพุทธกาลส่วนมากที่ไปศึกษาอารวมกับพระพุทธเจ้าท่านไปด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้ในขณะที่ไปฟังการอบรมกับพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นผู้มีอาการแห่งความเห็นไถยอยู่โดยสม่ำเสมอระกับกิริยาของพระของผู้ปฏิบัติทั้งหลาย มีความสงบเรียบร้อยมีท่าทางแห่งความเป็นผู้เป็นนักรบนักภาวนาคือความเป็นผู้มีสติไม่ผาดพ้นปวดพลาดอะไรแบบโลกโลกไม่มีกิิยาของโลกเข้ามาแฝงหากจะเป็นไปตามนิสัยนิสัยนั้นก็ยังต้องมีธรรมคือความตั้งอกตั้งใจ เป็นหลักเกณฑ์อยู่ภายในนิสัยนั้นเสมอการศึกษาเยือการได้ยินได้ฟังก็จากพระพุทธ เ, เจ้าเสยด้วยถึงเป็นผู้สมบูรณ์แบบทุกอย่างในหนึ่งมรรคเริงผลตลอดความรู้ที่เกี่ยวกับอุปนิสัยของผู้ใดมีหนักแน่นปในทางใดซึ่งเป็นกรณีพิเศษดังที่ท่านแสดงไว้ใน ญญาความรู้หกอย่างหรือความเป็นหกอย่างนั้นเตวิเตวิโชเตวิตวชานชะิญโยเตวิโชชะพิญโยตัญญตุปริสัมพิทัพประโตเี๋ยวนี้เปนปีเป็นย้อยอันหนึ่งอันหนึ่งของผู้ที่ทรงอัดทรงทมแต่ละองค์ที่จะพึงรู้พึงเห็นไปตามนิสัยวาสนาของตน พระองค์ก็ทรงแนะนําให้เป็นไปตามแนวแถวของผู้รู้ผู้เห็นตามจิตนิสัยของตอนนั้นนั้นไม่ขัดไม่ล้องจึงเป็นปไปได้ทั้งภายนอกคือแก่นแห่งธรรมข้พระพุทธเจ้าทรงสอนเองปริยายแห่งธรรมที่เป็นไปตามนิสัยวาสนาดังที่กล่าวมานี้มีอริ ญ, ญานุสวรรค์ญญเป็นต้นก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําไปเองจึงไม่ผิดพลาดเลยภาพปฏิบัติ และสถานที่ปฏิบัติก็เป็นสถานที่เหมาะสมในการชำระกิเลสอยู่ทุกการสถานที่อีกด้วยที่ไหนเป็นป่าเป็นเขานลำนาวไผ่ไม่ทุกพล่านวุ่นวายด้วยสูงชนสิ่งที่จะทําให้เป็นอย่างน้อยเป็นความไม่สะดวกในการบําเพ็ญฐานธรรมพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้หมดและทรงแนะนําสั่งสอนหรือแนะแนวทางให้ ไปสถานที่บำเพ็ญอันเหมาะสมเมื่อท่านเหล่านั้นได้ยินได้ฟังพระโอวาจากพระเจ้าอย่างเต็มหัวใจแล้วย่อมไปด้วยความภาคภูมิใจในการบำเพ็ญในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้รู้เห็นธรรมนั้นๆที่จะรับพระโอวาจาพระองค์โดยลำดับไปด้วยความภาคเปลี่ยนไม่ลดละถอยหลัง มีจํานวนมากน้อยเพียงในก็ตามพระผู้ปฏิบัติมีแต่เป็นผู้ทรงพลังของจิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานด้วยกันมีความเพียรเป็นพื้นฐานมีความมุ่งมั่นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเป็นจุดที่หมายเหมือนกับแม่เด็กดึงดูดความภาคเพียรอาการทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเครื่อง เพิกถอนกิเลสให้มีกําลังไป ต, ตามๆกันจนทะลุปรพวงไปถึงจุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานนะเพราะฉะนั้นพระบรรดาพระสาวกผู้บรรดาพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติในขัง้งพุ้จการเจิงอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกผาสุขเพราะเป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมอย่างแรงกล้าอะไรลายไม่ถือสีถือสาเพราะเรื่องเหล่านั้นก็ทราบแล้วว่าเป็นเรื่องของกิเลส ไม่ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์พอที่จะมาเป็นค่าสิล ต, ต่อจิตใจของตนและทําให้กระรอกกระเทือนผู้อื่นได้มันคือยืนเดินนั่งนอนมีแต่การดูหัวใจของตนซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งเหตุทั้งหลายส่วนมากก็เหตุตัวเหตุคือสมุทยัยมันเกิดที่ใจนอกจากนั้นมีสิ่งยังมีสิ่งที่เครื่องเสริมให้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆมีจํานวนมากมาย เรียกว่ารอบตัวของเรานี้มีแต่ทางไหลเข้ามาแห่งกิเลสทั้งหลายตากระทบรูปถ้าสติไม่มีก็เป็นไปเพื่อกิเลสหูจมูกนิ้กายกระทบอะไรที่เป็นคู่เคียงแห่งอันนากาเช่นเสียงติ่นเป็นต้นนั้นก็เป็นความหมายไปเพื่อกิเลสทั้งนั้น เรื่องของท่าสึกมันมีอยู่รอบตัวแล้วจิตนั่นแลจะเป็นผู้ที่คิดผู้ปรุงผู้แต่งผู้ให้ความสําคัญมั่นหมายเพื่อให้ทิ่นีทั้งหลายกาเนิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นโดภัยใช่เองแต่เป็นเรื่องของจิตที่ได้พบได้เห็นสิ่งเหล่า น, นั้นแล้วมาวาดภาพขึ้นตีความสําคัญมั่นหมายออกไปกว้างขวางลึกซึ้ง ด้วยความเป็นสมุทัยแล้วกลายเข้ามาเป็นทุกข์เทารนจิตใจของตัวหนึงก็คือจิตใจของเหล่านี้ที่คิดออกไปด้วยความไม่มีสติไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาเป็นค่าจิตต่อเราแต่เมื่อจิตไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดแล้วเกิดขี้เดือดขึ้นมาท่านจึงให้ระมัดระวังถ้าไม่ควรจะได้สัมผัสสัมพันธ์ก็อย่าไปสัมผัสสัมพันธ์คือไม่ควรเห็นอย่าเห็นอย่าดูไม่ควรฟังอย่าฟังดังพระพุทธเจ้าท่านทรง รับสั่งสอนพระอนุน์ตอนที่พระอน์นต้นสูนถามพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติต่อมาทุกขามเป็นเป็นต้นนะจะให้ปฏิบัติอย่างไรนะคำว่ามาตุขามใค ร, ใครก็ใครก็ทราบแล้วในสถานที่นี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายออกไปแล้วยกตัวอย่างเพื่อให้ตีความหมายไปกับสิ่งต่างๆที่เป็นไผนะ่ว่าไม่เห็นชียเลยละดี อ, อนุลฟนะังดู คือสิ่งที่เป็นภายในก็ตามเมื่อเห็นเข้าไปแล้วจะเป็นไถ่ให้ให้พึงทั้งรวมยะก่อนก่อนที่จะเห็นจะดูด้วยความไม่ดูไม่เห็นนั่นแหละดีอานุน่ะอันนี้ดีนะหากจําเป็นจะได้เห็นได้ยินเจาทําไงอย่าพูคืออย่าสําคัญอย่าทุ่คิดอย่าติดใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอย่ามาถือมาเป็นอารมณ์ให้พยายามตัดเสมอเสมอกับสิ่ง นั่นนั้นที่จะเป็นเครื่องเกี่ยวโยมเข้ามาให้เป็นค่าสิทต่อใ จ, ใจิตใจนี่แหละเราเทียบเพียงสองประโยคเท่านี้ก็ให้เ พ, พิงทราบเอาในเรื่องทั้งหลายที่ไม่ควรแต่การบำเพ็ญของเรามันเป็นสิ่งที่จะมากำจัดการบำเพ็ญ น, นี้ให้ด้อยหรให้เสียไปจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องความเพียรในสิ่งที่เป็นค่าสิทต่อตอนไปเสียยังต้องได้นำมัด ร, ระวังนี่แหละที่ท่านว่าให้ระมัด ร, ระวังอตา เวลากระทบเสียงหูก็ะทบตาเวลากระทบลูกหูเวลากระทบเสียงสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในของเราคือตาของจมูกเลี้ยงกายให้พึงระมัดระวังด้วยาสติหากไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จ ะ, จะเห็นจะดูจ ะ, จะฟังจะสัมผัสถูกต้องสิ่งเห่านั้นนอกจากมันจําเป็นทั้งแต่ธรรมาจําเป็นนั่นเถอะหากจาเป็นจะได้เห็นเนาพระเจ้าข่าดังพระอ น, นุทูลถามมุกเจ้า หาจำเป็นจะเห็นได้ดูย่าพูดเนี่ยท่านมีทางเลี่ยงไปอีกเนี่ยหาจําเป็นที่จะพูดทําอย่างไรละ่ะให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปตามอํานาจแห่งตัณหาแห่งนั่นจักรซิสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นนั้นดิเรกนี้มันมีประเภทต่างๆกันแต่สิ่งที่กล่าวมายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างะทะกีนี้เป็นประเภทที่หนักเป็นประเภทที่ถือเป็นค่าสิ่งจริงๆสําหรับค่าสิ่งจริงๆสําหรับนักบวชที่ประพฤติพรหมจรรย์ ท่ทานจึงให้ตัดถึงขนาดนั้นไม่เช่นนั้นไปไม่รอดจริงๆมันหนักถ้าเป็นแม่เลยกระดูดเอาจกนกระทั่งถึงตัวกลิ้งไปเลยไม่รู้จุดตัวเลยถ้าหลอกปอบเกิดไปก็ไม่รู้ถูกมันดูดเอาจึงต้องระมัดระวังให้มากนี่แหละที่ท่านให้แสดงสถานที่ที่อยู่ที่ไปให้เราทั้งหลายได้ไปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยกับกลิ่นทั้งหลายที่กล่าบมาเหล่านี้เช่นในป่า ป่าจะมีอะไรก็มีแต่ต้นไม้ป่าไม้กับป่าคนต่างกันอยู่มากป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นช่วงเย็นสบายสบายกายสบายใจป่าคนเป็นที่รุ่มร้อนมาทุกด้านทุกทางจากค่าศึกของคนจึงต้องได้ระมัดระวังนี่นีแหละคำว่าป่าเองและฐานที่เปรียวอยู่คนเดียวดีก็อยู่หลายคน อยู่หลายคนมีหลายเรื่องหลายราวแม้จะเป็นนักปฏิบัติด้วยกันอยู่ด้วยกันในหลายคนก็ยังไม่เหมาะแต่ว่าอะไรกับคนทั่วไปที่ไม่เคยได้รับการรวมทางอัดทางทำเลยจะไม่เป็นค่าสูตรต่อกันท่านจึงให้ระมัดระวังให้ไปหาอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้คือว่าโคนต้นไม้บ้างในป่าทั่วไปบ้างในถ้ำบางเงื่อนผาบ้างใช่ป่าชายเขาล้ำเขา ลายเขาที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การอทำเป็นสมณธรรมพระรักษาจิตได้ง่ายกว่ากันกับสถานที่ทั่วไปแล้วให้พึงตอสแสวงหาในสถานที่เชนั้นเถิดน่ะเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมท่านจริงมักบรรลุในสถานที่เหมาะสมตามที่พระโอวาทพระเจ้าทรงสั่งสอนไว้มากกว่าที่จะบรรลุในตลาดลาดเลยเช่นสมัยตัววันนี้เขาเรียกว่าเทศบาลห น, นึ่งเทศบาลสองมีที่ไหน ทำไม่มีอยู่ทั่วไปแต่ไม่สามารถที่จะดื้อฟื้นทำให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นได้สะดวกสบายยิ่งกว่าสถานที่เหมาะสมเช่นในป่าในเขาเป็นสำคัญเนี yeah, <Yeah. S 2> ่พยพุทธเจ้าท่านเป็นสอนให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจต่อพิษปฏิบัติบำเพ็ญตามเข็มทิศทางเดินที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่าให้เคลื่อนพลาด ผู้มีความรักในมรรคผลนิพพานให้พึงรักให้พึงคารมในพระโอาวาสอันถูกต้องดีงามอันตายตัวเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่าได้ให้เคลื่อนค้าศัตย์อย่าให้จืดจางภายในจิตใจตั้งใจคุณปฏิบัติยากก็ตามเถอะการเดินทางย่อมมีทั้งทางโคดทางโค้งทางตรงทางสะดวกคลุกคลามีผสมเสมกันไปแต่สายทางอยู่ ที่ตรงนั้นจําเป็นผู้เดินทางต้องผ่านไปตามสายทางที่เป็นเช่นนั้นเราเลือกเอาไม่ได้หากเป็นสิ่งที่เลือกได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่มีใครฉลาดแหลมคมเกินพระองค์แต่ละพระองแต่ละพระองค์พ ร, งค พ, รงคพระองค์เลยจะทรงแสดงให้จัดได้รับความสะดวกสบายที่สุดการฆ่ากิเลสท่าฆ่าได้อย่างง่ายดายพระองค์ก็จะสอนวิธีฆ่าให้พวกเราทสงายง่ายที่สุดเหมือนกันหมดไม่มีจะทําให้เป็นความยุงย่งยากลําบาก แต่นี้ไม่ทรงเห็นอันใดอุบายใดที่จะเกินอุบายที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายตรงไปตรงนี้จึงต้องสอนแบบนี้คำว่าทางสายตรงนั้นมันมันย่อมมีคุขะมีสะดวกไม่สะดวกหากมีอยู่นั้นสายทางตรงไปไหนมันจะเป็นยังไงก็ต้องไ ป, ไปตามนั้นเลือกเอาไม่ได้เพราะออกจาก ทางนากพูดออกทางนี้ไปก็จะเป็นขวากเป็นหนามเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเหิวมรรคตกเปรตกไปหมดไม่ใช่ทางเดินของสั่วคาตธรรมนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่าเป็นมัตติมาอันนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วแต่ยากําบากแค่ไหนก็ให้พึงทราบว่ากําลังของกิเลสกองทัพของกิเลสมันมีมากมันหนามันบางขนาดไหนถึงระยะที่มันควรจะหนักในการฟาดปันหั่นแหลกต่อกันมันย่อมหนักมันย่อมลําบากให้การสถานที่ เป็นบางระยะเป็นบางตอนที่ควรจะเบามันก็เบาควรที่จะสะดวกก็สะดวกคือควรที่ชำระได้ง่ายก็ง่ายเช่นเบางครั้งบางเวลา ม, มันสงบได้อย่างรวดเร็วก็มีสงบได้อย่างสะดวกสบายก็มีบางครั้งบางครงาวแทบเป็นแทบตายยังไม่ได้เรื่องเลยก็มีและอีกบางครั้งตั้งหน้าตั้งตา จ, จะเอาให้จริงให้จังเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงคลิกถึงถึงคลิกถึงจริงๆไม่ไมเป็นท่าเลยก็ยังมีเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่ เป็นค่าศึกต่อเรานั้นมันเหนืออุบายของเราทุกอย่างในขณะที่เราบำเพ็ญเพื่อความต้องการตามใจหวังนั้นกิเลสมันเหนือนั้นเราจรึงไม่ได้อย่างสมมากสมายนี่มันเป็นอย่างนั้นหากเป็นสิงที่เป็นไระด้ตามใจหวังทุกคนแล้วใครอยากจะอยู่ในโลกใครจะไม่อยากพ้นจากถูกคําว่าทุกนิดเดียวก็เป็นความระบากอยู่แล้วแต่นี่มันเลือกเอาไม่ได้พระูธธ้ทธเจ้าเองก็ชงเลือกเต็มถ้ากําลังความสามารถ จึงได้อุบายแห่งธรรมที่พระองค์ทรงเห็นทรงควรแล้วในแง่ใดมาสอนสัตโลกตามที่ได้ทรงบรรลุได้ฐานทางผมมาแล้วเท่านั้นเราทั้งหลายเห็นใจพระพุทธเจ้าคุณยังไงว่าทรงเลือกเฟ้นเต็เตมสติพระสติกําลังความสามารถมาแล้วเราเป็นเพียงล้างมือเปิบเท่านั้นยากลําบากก็ก็ไปทางสายนี้เพียรไม่งั้นจะเรียกว่าเพียรยังไงมันก็ต้องยากบ้างถึงต้องใช้ความภาคความเพียร เป็นของงานนี้เดียวจากความเพียรมีความหมายอะไรชาติปัญญาก็มีความหมายถ้ากิเลสงู้ดซะจนเกินโง่จะไม่ได้ครองหัวใจสัตว์โลกไปรังขาดและนี่อุบะเรื่องของกิเลสเป็นที่เกินธรรมชาติที่ฉลาดแหลมคมเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้สามเดนโลกธาตุนี้จึงเป็นที่เป็นอํานาจของกิเลสครอบครองทั้งหมดสัตว์ตัวใดวิญ ญ, ญาณดวงใดไม่เคยที่กิเลส จ, จะเหนืออํานาจของกิเลสพ้นอํานาจของกิเลสไม่ครอบครองไปได้นี่ กเพราความฉลาดแหลมคมขมันเพราะฉะนั้นการใช้อุบายแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านทุกทางจริงต้องได้ทุ่มเทกันลงเต็มพลัิกําลังความสามารถพร้อมตั้งอุบายที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วอย่าลดละปล่อยวางขยึดนั้นเป็นหลักนั่นถึงจะได้รับผลไปโดยลาดับจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พอใจนี่แหละการปฏิบัติภาวนาเพ้นอย่างนี้เพราะกิเลสเป็นของที่เหนียวแน่นที่สุดผู้ที่ยังไม่เคย ได้เห็นเหตุเห็นผลได้ต่อกกันกันตัดกิเลสแล้วพูดได้ง่ายเหมือนนกขุนทองเรื่องสมาธิก็พูดได้ง่ายเพราะพูดด้วยความจาใครเรียนใครก็จําได้เด็กเรียนเด็กก็จําได้ผู้ใหญ่คล้ายๆก็ตามเรียนลงไปจําได้ฉะนั้นชื่อของกิเลสชื่อของอุบายวิธีการต่างๆแต่เวลาจะเข้าถึงตัวกิเลสจริงๆไม่รู้จนกระทั่งกิเลสเป็นอะไรคืออะไรเหมือนอย่างที่เขาเราก็าไปนอนอยู่ในถ้ำเสือเราไม่ทราบว่าเสืออยู่ในนั้นเราจะไปหาฆ่าเสือแต่เวลา ยินเสียงเสือกระหึ่มก็ะหึ่มมันกําลังจะงับหัว อ, อยู่แล้วคืนทั้งคนคนทั้งตัวไม่ต้องคืนอยู่แล้วเรายังไม่ทราบเสียงก็ะหึะห่มกระึ่มันยังเริ่มหลงไหลว่าได้ฟังเสียงเพลงอันอัศจรรย์อยู่ในธรรมนี้สิไม่ทราบว่าเพลงนี้มาจากไหนเป็นไปอย่างนั้นสะอีกน่ะเวลาเข้าถึงตัวเสือจริงๆแล้วยังไม่รู้ว่าเสือนี่เข้าไปยังไม่รู้ว่าตีเลยมันงับเอาแล้วงับเอาแล้ ว, เ, ลวเราไม่รู้นี่แนหะเพราะ ความโง่กว่ามันมันถึงไม่ดูอุบายของมันก็เมื่อได้ฟิตตามหลักธรรมของพระเจ้าทรงสอนอาสติตั้งให้ดีเข้าไปนัดปัญญาตั้งให้ดีพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนความเพียรหนุนเข้าไปความอดทนอดลงไปสิ่งอื่นใดยังอดได้ทนได้แล้วเกิดมานี้ได้ไดใช้ความอดทน ม, มามากเท่าไหรได้ใช้ความเพียรมามากเท่าไร่กับกิจการทั้งหลายเหตุได้เราจะใช้ความเพียรต่อ การคืปฏิบัติปฏิธรรมเพื่อความเลื่เดินในตัวของเราเองทำไมเราจะช้าไม่ได้เนี่ยเมื่อเราใช้ย่อมเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเข้าไปานี่ซ้ําโดยความโดยสม่ําเสมอแล้วอุบายต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วจะได้เห็นเรื่องราวของกิเลสเห็นร่องรอยของกิเลสแต่มันเป็นร่องรอยอย่างไรออุบายของกิเลสเป็นอุบายอย่างไรเมื่ออุบายของธรรจับมันเข้าทันเขาทันเข้ า, ขาย่อมจะทราบอุบายของกิเลสย่อมจะทราบความเคลื่อนไหวของกิเลสเคลื่อนออกมา มันเคลื่อนออกมาจากที่ตรงไหนสุดท้ายก็ไม่ทราบเอาก็พ้นไปไม่ได้ว่าเคลื่อนออกมาจากหัวใจนี่เองนานที่นี่ทราบแล้วอ๋อที่เด็กอยู่ที่หัวใจก็เพื่อพับออกไปแล้วเหรอทิเล็กเนี่ยก็เพื่อพับออกไปแล้วอืมก็เพื่อมพับออกไปแล้ ว, มมออ ไ, ลวไม่ก็เพื่อมก็สัญญาเป็นความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารยังซึมทราบออกไปได้นี่เมื่อปัญญายอย่างทราบลงไปด้วยความแหลมคมอย่างนี้แล้วทําไมจะไม่ทราบปุโรบาของทีเด็กนี่นี่แหละที่มันทันกันทันอย่างนี้ เมื่อได้ยึดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นและต่อไปที่ว่าเคยว่าขุกขระที่เคยว่าชัดนดุเอาที่เคยว่าลําบากลาบนก็จะค่อยเบาลงไปบัดนี้ลบากก็ให้เห็นด้วยตัวของเราท่านแหละมันเป็นความเหมอกที่สุดอืมมันยากขนาดไหนมันลําบากขนาดไหนเจอกิเลสตัวไหนติดเป็นตัวที่แสบแสบที่สุดก็ให้มันรู้ในหัวใจของเราและกําลังสองสติปัญญาของเราเองว่าต่อสู้กับกิเลสท็กปเทสทนั้นๆ เราต่อสู้ได้อุบายวิธีใดเจงได้ชัยชนะมาเป็นลำดับตําดานี่มันย่อมเห็นได้อย่างชัดชดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติไม่อย่างนั้นเอามาพูดได้ไงพระพุทธเจ้าทรงเห็นชัดเจนที่สุดเจงได้นำธรรมออกมาแสดงและพระหันท่านก็สถึงใจอย่างไม่มีที่สงสัยเจงเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองสาธรธรรมของพระพเจ้าด้วยหัวใจของตนที่ทรงไว้แล้วซึ่งทำดังกล่าวนั้น ไทยล่าจะเป็นผู้ทธิยืนยันธรรมของพระเจ้าน่ายิ่งกว่าพระราหารันเพราะท่านทรงธรรมเหล่านี้ไว้แล้วตายก็ยอมตายไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมพระเจ้าแล้วไม่ไม่ยอมที่จะให้ตกต่ําเจ้าของตายก็ตายไปหมบรรดาพระราหันที่เป็นผู้ทรงธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วหรือตามพระเด็จตามรอยพระบาทให้ถึงพระองค์แล้วด้วยความเห็นธรรมจากเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์เนี่ย ทำเป็นเพื่อนประกาเป็นเครื่องประกาศยืนยันอยู่ในหัวใจผู้ปฏิบัติดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั้นมะหากยังมีผู้สนใจใคร่พึงพิปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่เมื่ อ, อไรเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นจะเป็นไปโดยลําดับลําดาที่ผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงได้รับผลตามขัข้นตามภูมแิแห่งธรรมและตามสติกําลังความสามารถของตนโดยลําดับลําดาเช่นเดียวกับข้างพุทธการที่ยมที่พระพุทธเจ้า ย, งงยังทรงเผยดูนี่หากจะมีผิดเขี้ยนกันอยู่บ้าง ก็ทรงให้การแนะนําสั่งสอนผู้แนะนําสั่งสอนเป็นผู้เช่นไหลนีเป็นสิ่งสําคัญอยู่มากะคือเพียง ก, การสอนทางภาคปฏิบัตินี่จะสั่งสอนกันด้วยทางปริยัติไม่ได้จะทําให้รูปคําคําผู้ปฏิบัติก็จะไม่ได้เรื่องได้ล า, าอะไรเลยต้องเอาภาคปฏิบัติที่ตนรู้ตนเห็นจังสอนบรรดาลูกจิตที่เข้ามาศึกษาอบรมนั่นจึงเป็นที่แน่ใจแน่ใจเพราะตนเป็นที่แน่ใจแล้วในหัวใจของเราเองนัดไม่ว่าสมาธิตนก็เป็นสมาธิมาแล้ว เหตที่จิตเป็นสมาธิเป็นมาด้วยอุบายอันใดเราก็ได้ทราบมาหมดอุบายวิธีการความภาคเพียนที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิเราก็เป็นมาแล้วแล้วจิตเป็นสมาธิขั้นนี้เป็นเป็นยังไงเราก็เป็นมาแล้วขั้นนั้นเป็นยังไงเราก็เป็นมาแล้วทรงมแล้วทําไมจะสอนคนอื่นผิดเพี้ยนไปล่ะนี่นี่เป็นที่แน่ใจของผู้ผู้สอนต้องเป็นผู้แน่ใจในตัวเองเสียก่อนแล้วสอนคนอื่นด้วยความแน่ใจไม่สงสัยผู้รับธรรมะ จากการอบรมสั่งสอนก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยว่านี่จะใช่หรือไม่ใช่เพราะผู้สอนด้วยความถูกต้องแล้วผู้ผู้ฟังก็ยอ่ยอมเป็นที่ตายใจได้เนี่ยพูด ถ, ถึงเรื่องปัญญาอาจจะเป็นปัญญาขั้นใดก็ตนเองผู้สอนก็เป็นผู้ดีพินิษพิจารณาทางด้านปัญญามาแล้วทุกท่านทุกกลุ่มจงกระทั้งได้ต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆเห็นผลประจักษ์ใจมาจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบันประจักษ์จิตใจของตนหมดสิ่นโดยสติปัญญา ท, ที่ทันสมัยแล้วเหตุใดจะสอนคนอื่นเพื่อการแก้กิเลสด้วยสติปัญญานั้นผิดเพี้ยนไปได้หรือไม่ผิดนี่แล้วผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทําได้คืออะไรก็คือความบริสุทธิ์พุทธโธภาะในของหัวใจเมื่อเอาพุทธะดวงที่บริสุทธิ์พุทธโธนี้อันเป็นผลนี้เป็นเครื่องยืนยันเป็นตั้งเป็นหลักฐานไว้แล้วสแสดงทำแก่บรรดาผู้มาศึกษาอบรมแล้วจะผิดที่ตรงไหนจะมีเอ็งเอียงที่ตรงไหนไม่นี่นี่แหละผู้ที่จะทรงมรรคทรงผล ได้โดยลำดับบรดาต้องอาศัยการอบรมกา ร, การแนะนําสั่งสอนของผู้ทิ่นได้รับผลมาแล้วสอนเป็นที่ถูกต้องแน่นย่างนี่เป็นการที่จะเดินได้รวดเร็วและไม่เป็นอุปสรรคอันนี้สําคัญมากแต่อย่างไรก็ตามการอบรมสา่งการประพฤติความภาคเพียรสําหรับตนเวลานี้ก็มีหนังสืออยู่แล้วเทพก็มีหนังสือเข้ามีควรจะยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นกิเลสเบาบางจากหัวใจเป็นอย่างไรเราเห็นตั้งแต่ความมืดความทึบความทุกข์ความทรมานในหัวใจเพราะกิเลสบีบคั้นบีบบังคับทรมานเราเรื่อยมาจนตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้มีเวลาจืดชางที่ตรงไหนเทินออกมาก็เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียออกจากเทินก็เป็นความทุกข์ความทรมานเพราะอํานาจของกิเลสเหยียบย่ำทำลายประเทศหนึ่งเสียมันมีแต่กลมายาของกิเลสเหยียบย่ําหัวใจตลอดเวลาเราไม่ปรากฏว่า ทำได้แสดงลวดลายของตัวออกไม้เราเห็นเป็นคู่แข่งกับจิเลตบ้างเลยอย่างนี้มันไม่เกินไปหรือนักปฏิบัติทั้งเราขอให้นั่นทั้งหลายได้นำปฏิญีพิจนาเถิดทำเหล่านี้เป็นธรรมที่วิเศษแท้พระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาองค์วิเศษไม่มีใครเกินเสมอเลยขอให้นำธรรมะของท่านมาปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่เร็วตามทั้งหลายปายในใจของเราออกให้มันเดี๋ยวมองเห็นจิเลสมองเห็นธรรม อันประเสริฐกับจิตใจกลมกลืนเป็นอันเดียวกันจะพิเศษขนาดไหนใจตรงนี้แล้วเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องให้ใครบอกเลยและไป็ปข้อยืนยันเรื่องพระพุทธเจ้าว่าคอขาดเลยเรื่องศาสนาเรื่องพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีาศาสนธรรมนี้จริงหรือไม่จริงถูกต้องหรไม่ต้องหงวัวใจของเราเป็นยังไงได้ธรรมชาติประเสริฐนี่มาจากไหนนั่นแหละเป็นเครื่องยืนยันกันให้มันเห็นดูเช่นนักปฏิบัติเา่าไปยังไงธรรมะพระพุทธเจ้า มีเพียงในตำตรับตำนาตอนนั้นมีแต่ชื่อนะเอาให้เห็นจริงในหัวใจของเรานในภาพปฏิบัติทรมานี่ทสดสดร้อนๆนะไม่ใช่การไมหม้ฐานที่ท่านถึงว่าอากาลิโกฟังสิในบทธรรมคุณท่านแสดงไว้สวขาโตพกตาธรรมโมแปลออกมาแล้วว่าทำอันททุก ป, ประเภทอันพระภูนภาคเจ้าตัดตรัดไว้ชอบแล้วฟังสิคาว่าชอบแล้วคือไม่ผิด ไม่ว่าจะเป็นขั้นใดภูมิไหนในธรรมพื้นๆจนกระทั้งถวิมุตหลุดพ้นไม่มีผิดแสดงไว้โดยถูกตั้ง ม, มีโสตโตกต่างๆฉันทิติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองในธรรเหล่านี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่มีอันใดเป็นเครื่องรับเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องสัมผัสมีใจดวงนี้เท่านั้นที่ประกอบด้วย อ, อุบายวิธีการต่างๆปฏิบัติที่จะมาปฏิบัติเพื่อความรับทราบธรรมทั้งหลายเพื่อความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลาย เพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทุกประเภทจนถึงขัง้นอิมูดุพลพ้นไม่นอกเหนือพรจากใจที่รับอุบายจากสารธรรมนี้เป็นเครื่องดําเนินเลยนี่อากาลิโกเนี่ยประทังอย่างจสิงจังอากาลิโกมีการมีจสถานที่มีเวลาเวลาที่ไหนก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มันอยู่ฝังจมอยู่ในภายใจิตใจของเราเนี่ยมันมีการไหนเวลาไหนที่มันมันจะไม่เหยียบย่ําทําลายเราที่มันจะไม่เป็นกิเลสตอนไหนมันไม่เป็นกิเลสเวลาไหนไมันเป็นกิเลสเวลาไหนมันเป็นคุณต่อเรา มันไปกิเลสตลอดเวลาอาการดิโกเช่นเดียวกันการแก้กิเลสด้วยอัดด้วยทำทำยจึงต้องเป็นอาการิโกเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นไม่ทันกันนี่ท่านก็บอกว่าอาการิโกเอหีปฏิโกแต่ทําทางปริญตัตท่านมากจะสามารถที่จะ เ, เ, เ, เ, เรียกร้องคนอื่นมาดูได้ทำของจริงอยู่ในตัวของเรานี่ยนี่ทางปริยัตท่านแปลว่าอย่างนั้นนี่เราไม่ถนาาัดใจเราขอพูดให้ฟังตามความถนัดใจาของเราจะผิดเพี้ยนประการใดก็ขอให้หมู่เพื่อนพีผิด่ะซึ่งเคยปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วนะ ไม่ใช่เคยไม่ใช่มาดลดาวอ้าวมาปฏิบัติแาบนี้แล้วอุบายอันนี้ไปดูบาที่เจ้าของดาเนินมาแล้วและเห็นผลประจักษ์ในหัวใจของเราว่าเอหิไ่หมายคือว่าถ้าทํานั่นแหละท่านเตือนเราท่านสอนเราให้ย้อนจิตของท่านเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ภายในนี้คืออริยศาสตร์ทุกข์ก็ปรากฏขึ้ น, นที่ใจนี้สมุทัยก็ปรากฏขึ้นในใจนี้อันเป็นตัวเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาจงน้อมจิตน้อมเ ข, ข้ามานี้เออชาตินานนี่คือมาร ปัญญาใ ห, ให้ย้อนเข้ามาบูท่ามของจริงคือทุกครั้งทุกครั้งอริยขอ ง, งสัจจังนี่ก็ทำของจริงสมุทัยาอาริยสัจจังนี้ก็ทำของจริงแสดงอยู่ภายานใจนี้เกิดขึ้นภายในใจนี้เพราะฉะนั้นท่านถึงย้อนสติปัญญาเข้ามาสู่จุด น, นี้เนี่ยเอหิเอหิแต่ว่าให้เข้าให้ย้อนเข้ามานี่พระธรรมท่านสอนว่าท่านจงยาสรงจิตออกไปข้างนอกวุ่นวายจ่ายแสหาเรื่องหาราวอันเป็นเรื่องของสมุทัยหารายได้มันเท่านั้น ให้ย้อนสติปัญญาเข้ามาสู่ภายในนี้นและดูเรื่องของจิตมันคิดเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรอดีตอนาคตมีตั้งแต่เรื่องของทุกของสมุทัยทั้งนั้นแก้มันด้วยสติปัญญาของเราเองนี่เรียว่ะเอหิปัติโกโอปนญิโกเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นอัติธรรมเครื่องข้ามสอนตนโดยสม่ำเสมอนี่ปัจจตังกิริโบวินโยห์ ผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้ที่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนก็คือผู้ปฏิบัติคือเรานั่นแหละจะไม่จะเป็นใครที่ไหนจะรู้โดยจาจำเพาะตัวเราเองรู้ในหัวใจของเราเองรู้ทั้งถุกรู้ทั้งสมุทัยรู้ทั้งนิโรธรู้ทั้งหมักจะรู้ที่จิตทั้งเรานี้ไม่เป็นอุ่นไม่ไปไปรู้ที่ไหนเลยนี่ในพระธรรมคุณท่านก็แสดงว่าอย่างนี้เราก็สวดมาสัจนปากแขะมันในเรื่องใดราวอะไรบ้างเอามาใช้เป็นประโยชน์ที่กิเลสมันหัวเราะนี่ สวดไปก็สวดไปพิเลศมันหัวเราะเราไม่รู้สึกตัวของเราถ้าสวดไม่มีสติมันเป็นเช่นนั้นถ้าสวดให้มีสติดังที่ว่าเอหินี่เอาน้มย้อนจิตเข้ามาสิเรื่องของทุกข์กของสมูกชัยซึ่งเป็นสัจธรรมอย่างเอกที่ทําสัตว์ทั้งหลายให้รับลำ บ, บากขบวนที่สุดก็ดูที่หัวใจนี้เอาสติปัญญานี่ก็เป็นสัจธรรมอย่างเอกเครื่องปราบพิเลศก็อยู่ในหัวใจนี้เอาน้ำเข้ามาฆ่ากันสิอยู่ภายในจิตใจนี้คําว่านิโรดนิโรธความดับทุกข์ไม่ต้องบอกถ้าลง มัดมีกําลังสังหารสมุทรไทยให้แหลกไปแล้วความดับทุกดับเองอืมเพราะสมุทไทยมันตายไปแล้วจะเอาทุกมาจากไหนมันก็ดับเท่านั้นเองเนี่ยนิโรธเนี่ยนิโรธนิโรธความดับทุก่ก็คืออํานาจของมัดมีสติปัญญาเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องสังหารกิเลสให้สิ้นสุดยุติลงไปนั่นทีนี้จะเป็นอะไรไปทีน่นี่เมื่อเราได้ทากันให้เต็มที่เต็มฐานที่นี่แล้วเราจะไปถามหามาคนที่ผ่านจากผู้ใด พระเจ้าท่านสอนไว้แล้วแบแบเแบรต์เบรต์วิตโบรินยูหินตะกิดปุ๋ยแล้วก็ผู้ปฏิบัตินั้นแหละเป็นยินยูชนว่าดินยูหินอันท่านรูดถึงทางาใครจะไปรู้ผู้ไม่ปฏิบัติบรรู้ได้ไงก็ผู้ปฏิบัตินั้นแหละคือเราเนั้นนะถ้าเราผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้จำเพราะตนไม่จําเพราะใครใครที่ไม่ไปฏิบัติจำเพราะผู้ปฏิบัตินี่เท่านั้นทำนี่ทำนี่จะสดร้อนแท้ๆเพราะพระพุทธเจ้า สอนรู้ความปราบกิเลสได้วสวดร้อนๆทางนั้นเหตุใดจะไปของติดจางไปให้ ส, สดร้อนเฉพาะกิเลสเท่านั้นหรือแล้วมันก็เหยียบเราทุกวันทุกวันเราเห็นไหมเวลานี้อาการิีโกของกิเลสเป็นยังไงรับอาการิโกของธรรมทันกันไหมทุกวันนี้อาการิโกของกิเลสกระดิกพิกแพงไปตรงไหนมีแต่กิเลสไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกลางค่ำกลางคืนหรือกลางวีลกลางวันเดือนใดปีใดมีแต่กิเลสเหยียบย่หาหัวใจเราเหยียบหัวใจกิเลสได้ตอนไหนมั่งมีการใดบ้างนี่ทีมันแพ้กิเลสตลอดเวลาแล้วเราจะถามเอาผลพันธ์ที่ไหน มันก็ไม่เจอสิต้องถามหาที่หัวใจของเราคนอยู่ที่หัวใจของเรานี้แล้วก็จะเจอดังที่กล่าวมานี้นี่แหละที่ว่าฉันอะคาลิโกยาหาเวล่าเวลาในการแก้กิเลสให้ดูกิตของตัวเองอันเป็นที่ผิดกิเลสทั้งหลายขึ้นมามันชํานิชานานมากนะเรื่องความปรงุงของจิตที่เป็นไปเบื้องอำนาจของสมูทไทยที่จะผิดทุกข์ขึ้นมาเผาการจิตใจของเรานั้นมันรวดเร็วที่สุด ถ้ากำลังของธรรมไม่ทันแล้วมันรวดเร็วมากแต่ถ้าอํานาจถึงธรรมมีสติธรรมเป็นต้นรวดเร็วเอทันมันแล้วมันจะเร็วขนาดไหนก็เท่ากับปลุกสติปัญญาตลอดเวลาเลยรู้ทันกันรู้ทันกันตลอดนั่นละฆ่ากันได้ที่ตรงนั้นฆ่าที่เดียนี่ละ่ะอุบายของวิ้ยชาทุกๆบททุกๆบาทขอให้น้อมเข้ามาเข้าสู่ใจของเราผู้ปฏิบัติ หรือรับจัดยีเลียตให้เห็นว่ามันเป็นภัยตลอดเวลาเช่นเดียวกันกันกบธรรมที่เห็นว่าเป็นคุณนั่นเข้ามาต่อก่อนกันภายในใ จ, ใจิตใจใจของเราจะได้เย็นลงไปเดิมดับเบาลงเรื่มดับ <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงตุวันนี้มันตรงไหนที่เราได้เบาบางจัดยิเลียตที่วาอาการิโก ท, ที่ที่ไม่เป็นอาการิโกนะ่ะมันเป็นอาการิโกทั้งนั้นมันเหยียบย่ำทำลายเราตลอดมาไม่ว่าไวไัยใดจกนกระทั่งถึงบัดนี้มันก็เหยียบย่ําเรามาถ้ามันมีเครื่องต่อสู้ ท่านทานมันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดตั้งกลับตั้งกันหากำหนดไม่ได้นะ่ะนายทําท่านกล่าวไว้ในเป็นบท บ, บาลีคมลืมจะจําได้ตั้งแต่คําแปลว่าอะไรอนามตะโกอะไรที่ว่าคือทางหาเงื่อนต้นเงื่อนตายไม่ได้ของติจแต่และดวงละดวงเพราะเกิดตายเกิดตา ย, ตา ย, ตายด้วยความท่องเที่ยวที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นู่นอยู่ไม่หยุดไม่ถอ ย, ท, อยทุกสิ่งต่างรุ่นร้ออย่างนี้มานานแสนนาน นับกับนับกันไม่ได้ฟังสิน่าสรดสองเม็ดไหมหยิดแต่และดวงละดวงนี่พระพุทธเจ้าใชา้เองนะเป็นผู้สแสดงไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสแสดงนะอืพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องความทิฏิและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกทั้งแผ่นนี้แหละนำเอาเรื่องของสัตว์มาพูดและคำว่าตัตาทตะคือใครถ้าไม่ใช่พวกเราด้วยจํานวนหนึ่งนแปลว่าผู้สี่ผู้คล้องในความเกิด จ, จ, ดจากจิตตา ย, ยด้วยกันทั้งนั้นคำที่เรียกว่าอนัมตะโกคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย ทางไม่ีเงินเพื่อเงินบายท่านท่านก็เที่ยวเข้ามาเหมือนขอบดงอ่ะฟังดิที่นี่ขอบดงนั่นถ้ากําจัดมันไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดรอนมันเข้ามาย่นวัตจักรเข้ามาด้วยอัดด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลแล้วความยืดยาวของวัตะวนนี้จะดูจะเป็นเช่นเดียวกับขอบด้มขอบด้งนั่นแหละขอบดงนี้ยืดยาวหรือไม่ยืดยาวดูสิเอาตัวมดตัวไหนไต่ลงไปมันจะรูดที่ออกที่เข่าที่ตงไหนมันไม่รูดทั้งนั้นแหละ มันไม่ทราบว่าไขอบดงนี้มันมีสั้นมียาวที่ตรงไหนก็มันกลมไปหมดมันหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาหมุนมาหมุนไปหมุนมาหมุนไปของเต่านั้นแหละเนี่ยอันนี้ท่านที่ได้วาดตาวัดตะแต่ว่าแปลว่าเครื่องหมุนฟังสิมันหมุนรอบตัวของมันอยู่ตลอดเวลาเกิดที่นั่นเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่งนอนๆอนเคยเป็นมานี้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนในวิญญาณดวงหนึ่งนับวิญญาณของเราด้วยนั้นเราไม่อินหนาละอาใจบ้างเหรอ แล้วความพ้นไปเสียจากความหมุนเวียนเหล่านี้เป็นความดีขนาดไหนพระพุทธเจ้าทรงสแสด ง, ง, สดงยืนยันไปแล้วว่าบกคคั่งนาทีอาชาจัดจักษนั่นแต่ว่าตัดตรงจากษ์งความเกิดทั้งหลายออกเสียโดยสิ้นเชิงทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นทังสิงนี่แหละเป็นหลักใหญ่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่ ท, ท, ท, ท, ท, ที่ตัดลงมาการปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายนับแต่ทานถินภาวนาขึ้นมาโดยลําดับต่างๆนี่เป็นการสร้างความดีเป็นเครื่องหมุนจิตใจของเราด้วย เป็นการตัดทอนวัตตะวันให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาย่นเข้ามาสมมุติว่าเป็นสมมติว่าหมื่นชาตินี้ย่นเข้ามาไม่ถึงหมื่นย่นเข้ามาไม่ถึงพันย่นเข้ามาไม่ถึงน้อยย่นเข้ามาไม่ถึงติดย่นเข้ามาไม่ถึงเจ็ดชาติย่นเข้ามาไม่ถึงสามชาติย่นเข้ามาไม่ถึงหนึ่งชาติในชาตินั้นบรรลุพร้อมไปเลยตั้งแต่ขั้นโซดาแล้วขึ้นถึงบรรลุถึงอาหัตะบุคลหรืออาหัตะผลทันทีในชาตินั้นเลยน่ะ พร้อมหน้าแห่งความภาคเพียงที่ปฏิพุทธปฏิบัติเนี่ยเมื่อพ้นจากนี้แล้วนั่นแหละพ้นจากขอบด้งแล้วที่นี่ความที่พ้นแล้วนั่นแหละคือความที่ประเสริฐสุดไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้หมุนให้เวียนอีกเหมือนอย่างแต่ก่อนที่เคยเป็นมาแล้วกี่กับพี่กันเอามาเทียบสิการประกอบความภาคเพียงทุกยากลําบากขนาดไหนการการท่องเที่ยวในวัดง่างๆมากี่กับกี่กันน้าไม่ท่วนเช่นเดียวกับขอบดงนี้เอามาเทียบกันดูสิอันไหนทุกขนาดไหน มันนานแสนา น, าสนานมากแสนมากขนาดไหน ม, มาบวกกันสิแต่ละภูมิประเทศกับความเพียรที่เราพยายามตะเกียกตะกายมีความทุกข์ในเวลานี้เอามาเทียบกันดูที่เป็นยังไงมันน่าจะกยิ่มนะใน ห, หัวใจนะออเอาเตนก็เป็นตายก็ตายเถอที่เด็ดมันเหยียบย่ำหัวใจเรามานานแสนานตามที่กล่าว ม, มาแล้วนี้เราไม่ควรที่จะนอนใจต้องถูอเป็นค่าศึกต่อการดังยิ่งนั่นที่นีนทนน่ที่มันสลัดทีเด็ดออกจากหัวใจได้เมื่อกําลังของใจมี อะไรก็เธอไม่มีอะไรที่จะเหนือกําลังของใจกำลังของธรรมนี้เลยที่เีลสทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรากําลังใจมีแล้วนะความมุ่งมัน่นมีไม่เต็มหัวใจความเพียนมาทําตามกันมาวันคืนปีเดือนมีตั้งแต่มุ่งที่ใช้ดูดพ้นดู ด, ด, ดพ้นดูดพ้นโดยท่ายเดียวเท่านั้นแล้วผ่านปึงเลยนะแขนสบายเห็นไหพระพุทธเจ้าทรงทร่นานบอกน้ําพระทยไหลนะ่ะไหลอะไรพระพุธทธเจ้าท่านทำไมจึงร้องไห้เฮชิน้นกิเลสแล้วร้องไห้อะไรฟังสิเราจะเทียบนะ ชงแรงดันญานโดยสัตว์โลกแล้วน้าพระทัยไหลทรงสลดสังเมตรพระขันของท่านเนี่ยคือขันห้านี่กับเครื่องเพราะความสังขารขันชงลํำพึงถึงสัตด้วยความสงสารเอาอันนี้มาเป็นเครื่องมือของจิตที่บริสุทธิ์แล้วอ่อนโยนด้วยพระเมตตาแล้วก็ลํำพึงถึงสัตวและทํางานสัตว์เนี่ยแล้วถึงจะพ้นจากทุกข์ไปได้สักทีเมื่อเราได้บรรลุธรรมถึงขนาดนี้แล้วมันเป็นธรรมที่สุดวิสยัยสุดเอื้อมที่สัตว์ทั้งหลายจะ ถ้าจะรู้ตามเห็นตามได้แล้วทํำยังไงน่นเรื่องทรงทํำคนขวัญน้อยในเวลาที่จัดสรูท้ทีแรกเพราะเป็นธรรมที่วิเศษเลิศเลอที่สุดในแดนโลกสามแดนโลกฐานนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยพระองค์ทรงจเจริญแล้วในขนาดนั้นจึงไปพิจารณาถึงสัตว์บโลกั้งหลานนี่ทํายังไงถึงจะรู้ได้เห็นได้เมื่อทำมั น, นี้เป็นของวิเศษเป็นของละเอียดละออถึงขนาดนี้นแล้วใครจะมีมีแก่ใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติและใครจะมารู้มาเห็นได้และเกิดความสงสารตัดโลกและทําความขวอยน้อย แล้วไม่อยากสัมพันธ์สรดโลกเพราะจะสูตวิสยัยเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนิดน้ําพระเนตรไหลนี่ฟังดิท่านก็มาไว้แล้วในตํารับมันละนี่ขันกับเพื่องขันแสดงตัวาอาศัยพระเมตตาจิตออกมาเป็นเครื่องถักดันขันตัวนี้ให้แสดงจากขันทั้งขานขันหนึ่งที่ทรงปรุงทรงพิพจรารณาเนี่ยฟังดิสงครามจัดโลกแล้วอยากให้หลุดพ้นตายทุนง่าย นี่เราเป็นยังไงเราไม่สงสารเราบ้างเหรอให้แต่พุด้ดเจ้าสนั้นเหรือสงสารเราเราไม่เห็นแก่พระเมตตาของพู้ดิฉ้าแล้วนําพระเมตตานั้นเข้ามาสงสารตนนิดบ้างเหรอจะได้ความเพียรเราจะได้เร่งจะได้ดึงดูดตัวเองให้ออกจากวัฏวุลอันเป็นกองทุกข์มหานต์ตุกนี้หละอย่างน้อยย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วให้ในมันพ้นเสน่หชาตินี้จะเป็นที่เลิศเลอที่สุดเลยเอาใครไปนิพพานหรือใครไปสิน้นใครเป็นผู้สิน้นจิตเดชแล้วยังเสียดายโลกนี้ใครเห็นสักที พระพุทธเจ้าตรัสลูกมากี่พระองค์แล้วกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์มีพระองค์ใดบ้างที่ได้สั่งสอนสัตว์โลกแล้วได้พ้นจากทุกไปแล้วยังมาเสียดายในโลกกองทุกเกิดแจ็เจ็บตายเสีาดาราคะตันหายนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่สอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายถึงขนาดพ้ น, นแล้วตับมาเสียดายโลกค น, นี้มีไหมนอกจากมีแต่ความสล ด, ดสังเวชน้ําตาล่วงลงเท่านั้นในขณะที่ได้พ้นออกไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นเราเอามาเทียบที่สุรสร์เราบ้างที่เป็นยังไงเรา สงสารตนบ้างเพียงประมาณอไอ้บ้างหรือไม่หรือมีตั้งแต่ผู้ยิ่งเจ้าสงสรารทงสงสารจนน้ำประเทศหลนั่นเหรือแล้วเมื่อถึงนิพพานแล้วเป็นยังไงมีในศาสนาพุ้ยิเจ้านี้แล้วมีองค์ไหนบ้างหรื อ, อรายใดบ้างที่กิจได้หลุดพ้นไปแล้วยังมาเสียได้โลกเกิดเจะตายละคาตัณหาอย่างนี้มีไหมไม่เคยเห็นก็เพราะสิ่งนี้มันเป็นภัยมหาภัยท่านเอ ง, งพอพคนอย่างนี้แล้วจึงเอเป็นของวิเศยแต่ก่อนไม่ได้วิเศษอะไรก็เพราะสิ่งเลว แล้วมกจบเส็ทั้งหลายนี่มันเหยียบย่ำหัวใจไว้หาความพิเศษไม่ได้เองแต่พอหลุดพ้นไปจากนี้แล้วความพิเศษไม่ต้องบอกดีถึงเดียวเท่านั้นนั่นขอให้ทุกทุกท่านตั้งอกตั้งใจพึ่ปฏิบัตินะแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่คอยแนะนำสอนนี่รู้สึกว่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงโดยลดับนัอะการแสดงทางท่สวหยุดแค่นี้แหละยังล่อีกนี่คาเทีเป็นนาสม